มันก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนที่พุทธองค์จะแส ด, ดงธรรมกันนี้ได้ทำอะไรนามาจับตรงนี้ก่อนจะมจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก่อนไม่ได้มีเกิดมาจากการกระทา คือกรรมฐานในบนเพลงเดือนหกนั่นนะพระองค์นี่ทำทดลองมาตั้งแต่แสวงหามโมกธรรมตั้งหกปีหลังจากการอบอวนไอ้ทดลองหลายรูปหลายแบบจากครัวจานสมัยนั้น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 กามมาสุขา น, นิกาดโยโคอัตถะจิมธาอโยโคมัดเขมงานปฏิปทามันมีทางอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างไรในเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรากามาสุขา น, นิกาดโยโคลมันหลงเห็นมันหลงเป็นผู้หลง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 ไม่ต้องการความผงสานชอบความสงบเวล า, าเห็นผิดไม่ชอบเวลามันถูกชอ บ, ชอบนี่หรือกว่าอัฐิมัทฐานโยโขมันตึงเครียดเอาผิดเอาถูกเอายากเอาง่ายให้ยากเป็นยา ก, ยากให้ง่ายเป็นง่ายเป็ น, เ ป, นเป็นทางอันสุ ด, สดเป็นทางอันหนึ่งอีกเหมือนกัน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 เราองเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็ได้เห็นเรื่องนี้เหมือนกันเป็นล่งลอยเป็นทางผ้าบำบาทขององค์เราทำไปก็เห็นแบบนี้อาจจะยากกว่าเรานะสมัยนั่นพระศิทธธรนะไม่มีมิตรไม่มีเพื่อนทั้งองก็เป็นสุขุมมาชาตก็อยู่ประสาทราชาวัง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 หองจะยากกว่าเลาคิดถึงเรหุลนบางคิดถึงคิมพาร่างคิดถึงประชาชนทุกบ้างคิดถึงราใช้มาา ส, าสมบัติทัพย์สินสะดึงคานบางทีอาจจะคิดถึงพระเจ้าจั ก, กรพรรดิด้วยซึ่งมีกระแสที่จะเป็นไปได้ในสมัยนั้นนะเพราะเป็นเจ้เาพระชายที่มี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 ไม่เป็นผู้ทุกข์้นเจ้าความทุกข์น่ยมันคืออะไรเหมือนก็ละความชั่วเหมือนก็ทำความดีเหมือนก็ทำให้จิตบริสุทธิ์เป็นอะไรและความชั่วคืออะไรลวความชั่วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาความหลงไปถึงไหนไปถึงปัญญาเแต่กความหลงไปถึงปัญหา มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาดูดีๆแล้ว ม, มันมันมีก็กระทำเกิดขึ้นหลายอย่างได้เป็นพโมจันร์นก็บริสุทธิ์แล้วไม่เป็นอะไรนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วก็เป็นนักบวชหรือว่ามีบารมีแล้วไ้เห็นไม่เป็นทุนเจากพาะวะที่เป็นนั่นมา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 จบมาใช่ได้จะยกมือก็ยกมือเป็นจะเคลื่อนไหวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทาเป็นใช่รูปใช้น้ำให้มันทำกรรมแต่เห็นเป็นรูปเป็นนามเราแตกฉานแต่ก่อนเรียกว่าสุกเรียกว่าทุกข์ผิดถูกพอเห็นเป็นรูปเป็นนามเราไม่ต้องเรียกว่าผิดว่าถูกว่าสุกว่าทุกข์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 เด็กๆ น, น้อยที่มันแสดงออกมันบอกความเท็จความจริงตัวเราความโกดันก็ไม่เที่ยงคล้ายๆว่าอย่างนั้นความโกดัไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราในความสุขความทุกข์ก็เช่นกันเราจึงเห็นมันจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีสติอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้เกิด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 เปลี่ยนได้หมดด้วยปฏิบัติมาไล่เป็นดีหมดอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่ควรจะไปยมจํำนวนต่อมันกระตือ้วร่นช่วยกันโบ ก, กันถุยทุยเองอเอาปล่อยทุ่ยงหลง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 เราถึงได้มาช่วยตัวตนก็มาขวนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราพระเจ้าแสดงอย่างนี้คนญยาก็ทำไปในใจไปบิดตามอยู่ทำในใจอยู่หเห็นด้วยเห็นด้วยตอบรอบตอบถนองเหมือนกันให้ยารักษาโรคเราไม่โรคคือความหลง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 รู้เนาะรู้เห็นพุบเห็นนะจุดท้ามันคือเห็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติปัฏฐานมันพบเห็นมันถึงเห็นถ้ามาเห็นมันก็มันง่ายๆที่ไม่เป็นนี่ยมันพบเห็นแบบนี้สติปัฏฐานสติธรรมดามันเป็นได้ใครก็มีสติได้สัตติริชานก็มีสติ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 สติปัฏฐานภาวะที่เห็นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นทำเนี่ยแล้วก็หลุดพ้นแล้วถ้าเห็นนทั้งหมดในทุกในชมุทัยในโลดในมรรคคือมันเห็นอย่าเนี้ยมรรคคือมันเห็นเป็นทางไปไม่ใช่มรรคไปท่องจํา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 ฉันเิดเป็นธรรมจักญขึ้นมาในรัชทสี่อาการเจอาการปัจจยสามอาการ1จบสองแต่ละสี่อย่างสีอย่างคือทุกขสมุทัยโลภมรรคมัน ไ, ไปรวมอยู่ที่อย่างละสามันก็เป็นสิบสองธรรมจักญัก็มีสิบสองที่ ธรรมจักรเกิดขึ้นแล้วหมุนไปแล้วนี่เราจะทำไงที่นี่วัดป่าสุกโตกำลังจะทําธรรมจักรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในรอบล้ำลึกครบร้อยปีหลวงพ่อเทียนกำลังทาฐานไว้ที่ลานธรรมเอาธรรมจักรมาตั้งที่นั่น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 เป็นสาสถานของศาสนาแล้วก็มีสิทธิมาใช้ได้ไม่ต้องไม่ต้องขอาติใครเป็นสมบัติของเราอา น, นี้แล้วก็อยู่ได้ไม่มีครอบริบัติเหมือนกันหมดอ น, นี้จึงให้อย่าจนเถิดเรื่องนี้